4. โพชนวัตห์ 1. อาวสถปินดาสิกขาบท 168. ภิกษุฉันพตาหารในที่พักแรมเกินกว่าหนึ่งมือ้อต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคำกกิน 2. คณะโภชนะสิกขาบทภิกษุฉันคณะโภชนะต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัติปาจิตเีทุกๆุกํากลืน 3. ามปรัมประโภชนะสิกขาบทภิกษุฉันปรัมประโภชนะต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคำกลืน 4. กาณมาตุสิกขาบทภิกษุรับขนมเต็มสองถึงบาทแล้วรับเกินกว่านั้นต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังรับต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อรับแล้วต้องอาบัตปาจิตตห์ 5. ปะธรรมะปะวารณาสิกขาบทภิกษุฉันแล้วบอกห้ามพัฒตาหารแล้วเคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันที่ไม่เป็นเดนต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคณด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉัน ต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคำกลืนหกทุติยะปวารณาสิกขาบทภิกษุนำของเคี้ยวหรือของฉันที่ไม่เป็นเดน่นไปปวารณาภิกษุผู้ฉันเสร็จแล้วบอกห้ามพระตหารแล้วต้องอาบัตสองอย่างคือหนึ่งิุรับไว้ตามคำของภิกษุนั้นด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉัน ภิกษุผู้นําไปต้องอาบัตทุกกฏ 2. เมื่อภิกษุผู้รับนั้นฉันเสร็จภิกษุผู้นําไปปวารณาต้องอาบัตปาจิตตีเจ็วิกาลโภชนะสิกขาบทภิกษุเคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันในเวลาวิกาลต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉัน ต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคากลืน 8. สันนิธิการกะกศิกขาบทพิกษุเคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันที่เก็บสะสมไว้ต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัตทุกกฎสองฉัน ต้องอาบัติปาจิตตีทุกๆคำกลืน 9. ปณีตะโภชนะสิกขาบทภิกษุออกปาขอโพชนะอันประนีตมาเพื่อตนแล้วฉันต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคำกลืนสิ 10. ทันตะโปณสิกขาบทภิกษุกลืนอาหารที่ยังไม่มีผู้ถวายให้ล่วงลำคอต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. รับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอาบัตทุกกฎ 2. ฉันต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆคำกลืนโภชนวัตที่สจบ